บทอัรรอฮุดูนี้เป็นบทมาดานิยะมี4ี่สาองค์การซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเช่นเดียวกับบทมาดานิยะทั้งหลายคือยืนยันให้ความเป็นเอกภาพของอลัลลอ์การเป็นศาสนทูตของมูฮัมมัดการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนในปรโลกบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงปัญหาใหญ่คือปัญหาการศรัทธาต่ออัลละ์และการให้ความเป็นเอกภาพแด่พระองค์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 ซึ่งถูกขจัดออกไปสำหรับส่วนที่เหลืออยู่คือาธาตุแท้ที่บริสุทธิ์ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะของผู้ที่มีความสุขและผู้ที่มีความทุกข์เช่นคนตาบอดกับคนตาดีแล้วก็ได้แจกแจงชะตากรรมของคนทั้งสองประเภทที่จะถูกขนานนามว่าบทอรอถ ด, ดูนั้นเนื่องจากปรากฏการแห่งจักรวาลอันน่าประหลาด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 ด้วยพระนามของลระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลามีมร้อทีกเหลานัลนิตาบอวัอละิี อัลบบ ล, นน ล, อลิฟลามรอเหล่านี้คือบรรดาองค์การแห่งคปีและสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมากแก่เจ้าจากพระผู้วิบากของเจ้านั้นเป็นศัตรแต่คนส่วนมากไม่ศัทาอั ล, ลรสาาร้รางสว ทั้งมาตว่างบัลกร์และซักขร์ชั้สุสละควร์ทุกอย่จะเดินไปสู่วันท่าถึงจะดูแลทุออคาคุรรคุูะคือผู้ทรงยกชั้นฟ้าทั้งหลายไว้ด้วยปราศจากสาวคํำจุดซึ่งพระเจ้ามองเห็นมัน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 และในแผ่นดินนั้นมีเขตแดนติดต่อกล้า ي เคียงกันและมีสวนพฤกษาเช่นต้นองุ่นและต้นที่มีเมล็ดและต้นอินผผล ที่มาจากรากเดียวกันและไม่ใช่รากเดียวกันและเราได้ให้บางชนิดดีเด่นกว่าอีกบางชนิดในรสชาติแทจ้จริงในการนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา <S <S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 ต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาและชนเหล่านั้นโซ่ตรวนจะถูกล่ามบนต้นคอของพวกเขาชนเหล่านั้นคือชาวนรกโดยพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดก า, าล د د และพวกเขาเร่งเราเจ้าขอความชั่วคือการลงโทษก่อนความดีคือความสุขและแน่นอนได้มีหลายตัวอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้าพวกเขาแล้วและแท้จริงพระผู้อิยบานของเจ้าเป็นผู้ทรงอภัยโทษแก่มนุษย์ต่อการอาธรรมของพวกเขา และถ้าจริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษและบรรนาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าทำไมจึงไม่มีปฏิหารจากพระผู้อภิบาลของเขา ถูกประธานลงมาให้แก่เขาแท้จริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนเท่านั้นและสำหรับทุกๆ ก, กลุ่มชนนั้นย่อมมีผู้ชี้ทางนำ อ, อั اد, อลลอฮฺทรงรอบรู้สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนตั้งคันและบรรดาคันที่คลอดก่อนกำหนด และที่เกินกำหนดและทุกๆสิ่งนณพระองค์นั้นมีกำหนดสภาวะไว้อาลิมุลกอยบิวัศชาาดติลกบีรุลมุตะอาลผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยผู้ทรงเครียงไกรผู้ทรงสูงส่งยิ่งสวะม์มินกุมมันอส ร, ร ول, ุลกอลวะมันจะระบี ه.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 และสำหรับพวกเขาจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเห็นฟ้าแลบเพื่อความกลัวแะความหวังและทรงให้เกิดเมทึพระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเห็นฟ้าแลบเพื่อความกลัวและความหวังและทรงให้เกิดเมฆทึบ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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له م بشيء لا يستجيبون له م بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغه ف ا وما هو ببالغ สำหรับพระองค์นั้นคือการวิงวอนที่แท้จริงและมรดาผู้วิงวอนอื่นจากพระองค์เวทจะไม่สนองตอบใดๆแก่พวกเขาเว้นแต่เสมือนกับผู้ที่แบมือทั้งสองไปยังน้ำเพื่อให้ไหลสูปป่ปากของเขาและมันจะไหลถึงไม่ได้และการวิงวอนของพวกปฏิเสธสถานนั้นหาใช่อื่นใด นอกจากอยู่ในการหลวงผิดเท่านั้นแล้วพูดถ้าอยู่ในบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างก็กราบต่ออัลล่ะด้วยความพักดีและความจำยอมและเงาของมันจะกราบด้วยทั้งยามเช้า قُلْ م َ ر َّ ب ّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ لِلَّهِ قُلْ أ َ ت َ ت َ خ َ ذ ْ ت ُ م م ِ ن دُونِهِ أُولِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ ل َ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ن َ ف ع َ ه و َ ل ا ض َ ر َ ا ر قُلْ هَلْ يَسْتَوِي ا ل أ َ ع ْ م َ ى و َ ا ل ب َ ص ِ ي ر ُ أَمْ ه َ ل تَسْتَوِي ا ل ظ ُّ ل ُ م ا ت ُ و َ ا ل ن ّ و ر จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าใครคือพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ จงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาผู้คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือซึ่งพวกมันไม่มีอำนาจให้คุณและโทษแก่ตัวของพวกเขาเองจงกล่าวเถิดว่าคนตาบอดกับคนตาดีจะเหมือนกันหรือหรือความมืดจะเหมือนกับแสงสว่างหรือหรือพวกเขาได้ตั้งบรรดาภาขีขึ้นแกาลอันนั้นเพื่อให้ได้สร้างเช่นเดียวกับการสร้างของพระองค์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 وَمِمَّا يُقِدُونَ و عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَارٍ ح ِ ل َِّ ة ٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدٍ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّ الزَّبَدُ ا فَيَذْهَبُ جُفَاءٌ وَأَمَّ ا مَا ي َ ف ْ ع َُ ا ل ن َّ ا س َ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ พระองคงทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้าแล้วลำน้ำต่างๆก็ไหลไปตามปริมาณของมันกระแสน้ำได้พัดเอาฟองลอยอยู่เหนือน้ำและจากสิ่งที่พวกเจ้าหลอมลงไปในไฟเพื่อหวังทำเครื่องประดับหรือเครื่องใช้จะมีฟองเช่นกันในทรมนองนั้นอลลอฮทรงยกตัวอย่างความจริงและความเท็จสำหรับฟองน้า นั้นจะออกไปเป็นสิ่งเหลือเด่นส่วนที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ก็จะคงอยู่ในแผ่นดินในทำนองนั้นอัลลอฮ์ทรงยกอูทาหอนทั้งหลายลิลล um ัตินัสตเจบุลิรับบิฮ์มุลพุซนาวัลลัตินัมยิสตเจบูลิฮูเลวันนัลหุมมาฟิลเอร์ดิจมีอูว์มิถละหุมะหูเลฟเตดูบิ ออลลสำหรับบรรดาผู้ตอบสนองต่อพระผู้บาลของพวกเขาคือการได้รับความดีและบรรดาผู้ที่ไม่ได้ตอบสนองตอ่อพระองค์แ ม, ม้ว่าพวกเขาจะมีทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินและมีอีกอย่างนั้นพวกเขาก็จะยอมเอามาถ่ายโทษอย่างแน่นอน ชนเหล่านั้นสําหรับพวกเขาคือการมีบัญชีที่ชั่วและที่พำนักของพวกเขาคือนรกยานหนักมันช่างเป็นที่พำนักที่ชั่วช้าจริงจริงๆเรนั้นผู้ที่รู้ว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเป็นความจริง จะเหมือนกับผู้ทิดตาบอดกระนั้นหรือแท้จริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะไข้ขวดคือบรรดาผู้ที่ให้ครบสมบูรณ์ซึ่งสัญญาของลอและไม่บิดพริ้วต่อข้อตกลง แลบันดาผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ตามที่เอาลอดทรงบัญจาให้เขาเสื่อมสัมพันธ์และยำเกรงพระผู้วบานของพวกเขาและกลัวการมีบัญชีชั่ว ا ل ذ ي ن صبر ب ت غ ا وجه ربهم و ق م الصلاة و ن ف ق م และบรรดาผต้นโดยหวังความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของพวกเขาและปฏิบัติละมาดและบริจาคสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขา โดยที่ซ่อนเร้นและเปิดเผยและสำหรับพวกเขาจะขจัดความชั่วได้ความดีชนเหล่านั้นแหละสาหรับพวกเขาคือที่พรนักในบานปลายที่ดีจันนอดียาดูลูนาวะมันศัลยฮะมินอาบะอิมวะอั้ววจิมวะดุรรยติมวะลมลาลค์ตูยาดูลูนหลียมมินคุลลิบบ สวนสวรรค์ทั้งหลายอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่พร้อมกับผู้ทําความดีจากบรรพบุรุษของพวกเขาและคู่ครองของพวกเขาและบรรดาลูกหลานของพวกเขาและมาลายกาจะเข้ามาหาพวกเขาจากทุกประตูของสวนสวนส كم, تم, นมมรรค์พร้อมกับกล่าวว่าขอความสันติจงมีแด่พวกเจ้า เนื่องด้วยพวกเจ้าได้อดทนมันช่างดีเสียนี่กระไรในบ้านปลายมีดี ะบณาผู้ทำลายพันธะของอลัลลอฮ์หลังจากที่ได้คำมั่นสัญญากับพระองค์ไว้แล้วและพวกเขาตัดขาดสิ่งที่ล้อทรงช้ให้เขาต่อและบ่นทำลายในแผ่นดินชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับการสาปแช่งและจะได้ที่พ น, นักอันชั่วชา้า บเราส่งให้กว้างขวางและส่งให้คับแคบซึ่งปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่โรงส่งประสงค์และพอเขาดีใจต่อชีวิตในโลกนี้และชีวิตของโลกนี้เมื่อเปรียบเทียบกับประโลกแล้วหาใช่อื่นใด นอกจากความเพลิดเพลินเท่านั้นและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าทำไมสัญญาณของพระผู้อภิบาลของเขาจึงไม่ถูกประทานให้แก่เขาจงกล่าวเถิดมฮัมหมัด ว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้หลงทางแก่ผู้ที่พรองทรงประสงค์และทรงนำทางสู่พระองค์แก่ผู้ที่สำนึกผิดบรรดาผู้ศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการ น, นึกถึงอัลลอฮ์ พึ่งทราบเถิดว่าด้วยการดำลึกถึงกอรรทเท่านั้นจะทำให้จิตใจสมบูรณบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีความผาสุกย่อมได้แก่พวกเขาและเป็นการกลับไปที่ดียิ่งบรรดารัทาลกะคามีควมผาสุัยมดก่พวกเขาและเป็นกาลับไปทียิม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 เพื่อเจ้าจะได้บอกกล่าวแก่พวกเขาถึงสิ่งที่เราได้องค์การมาให้เจ้าโดยที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงกรุณาจงกล่าวเถิดว่าพระองค์คือพระผู้อวบาญของฉันไม่มีพระองค์อื่นใดนอกจากพระองค์เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ฉันได้มอบความไว้วางใจและยังพระองค์คือการกลับไปของฉัน <S <S بل لله الأمر جميعا، أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدن الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا. ทุศิบุห์บ ม, ม า, า, มา ก, าากอ ص ن ع ق ا ر ันหรือัลล์นนั้นแผ่นดินห้์ออกกหมนนน แต่ถ้าว่าพระบัญชาทั้งมวล น, นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอรรถบรรดาผู้ศรัทธายังไม่รู้ดอกหรือว่าแม้ว่าเราจะทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงชี้แนะทางแก่มนุษย์ทั้งมวลก็ได้และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นความหายนะยังคงประสบแก่พวกเขาเนื่องโดยพวกเขาได้กระทำไว้หรือจะเกิดขึ้นใกล้ที่พม น, นักของพวกเขาจนกระทั่งสัญญาณของรอดจะมาถึงแท้จริงอละรนั้นเป็นผู้ไม่ทรงผิดสัญญา และโดยแน่นอนบรรดาหรอซูลก่อนหน้าเจ้าได้เคยถูกเยอะหยันมาแล้วข้าได้ประวิงเวลาแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทาแล้วข้าได้ลงโทษพวกเขาแล้วการลงโทษของข้าเป็นเช่นใด ُ ا ئ م على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل ز ُ ي ن للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل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 แผนการของพวกเขาได้ถูกทำให้เพริบเพลียวแกบณาผู้ปฏิเสธและถูกปิดกั้นจากแนวทางของอัลลอ์และผู้ใดที่านั้ทรงประสงค์ให้เขาหลงทางแล้วสำหรับเขาจะไม่มีผู้จีแนะให้เหลือ من من สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษในชีวิต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 ตกอุปมาสวนสวรรค์ซึ่งบรรดาผู้ยำเกรงได้ถูกสัญญาไว้คือแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างมีผลไม้และเงาร่มอยู่ตลอดเวลานั่นคือบ้านปลายของบรรดาผู้ยำเกรงและบ้านปลายของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคือไฟนรก ล, ล, นน ล, อลอบบ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 คืออันุกรานจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดเอ่ยว่าแท้ที่จริงฉันได้ถูกชายให้เคารพพักดีต่อรอและฉันจะไม่ตั้งภาขี่ต่อพระองค์และก็ยังพระองค์เท่านั้นที่ฉันจะเชิญชวนและก็ยังพระองค์เท่านั้นคือการกลับไปของฉันอามมบบบี <S <s من من و و และในคำนองนั้นเราได้ประทานอัลกุรอานแก่เขาไว้เป็นข้อชี้ขาดที่เป็นภาษาอับับและหากเจ้าปฏิบัติตามความใคร่ของเขาหลังจากหลักฐานได้มาอย่างเจ้าแล้วสหรับเจ้าแล้วจะไม่มี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 และหน้าที่ของเราคือการชำระบัญชีพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้ขยายพื้นที่แล้วเราได้ให้มันลดน้อยลงจากอาณาเขตของมันแล้วเราทรงตัดสิน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 เจ้าไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนาทูตจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์ทรงเป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้าและผู้ที่มีความรู้ในคำร์นี้ก็เป็นพยานด้วย